ผู้จะต้องถูกเขียนอย่างนักการเขียนประวัติตนประวัติองคหลวงปู่ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนในยุคหนองผือไม่ให้ลักลักห ล, ลันหนก็เป็นของทํำได้ยากเพราะสมัยนั้นไม่มีเทปเป็นเพียงต่างคนต่างจําได้เท่านั้นผู้ไม่สนใจบ้างก็จําไม่ได้เลยพอจะสมเหตุสมผลที่ตนไปอาศัยอยู่แต่อย่างไรก็ตามธรรมเทศนาขององค์ท่านทุกๆอุบาย ทุกๆ ก, กันไม่ว่าส่วนรวมหรือเฉพาะบุคคลแสนแสนลานลานไหนก็ตามหนักเน้นลงไม่ให้เนินชาในสงสารเขย่าอยู่เสมอว่าไม่ใช่บวชเล่นไม่ใช่ปฏิบัติเล่นเพื่อลวงโลกเพื่ออามิตรหรือเพื่อทำเนียมหรือเพื่อเปลี่ยนชื่อคนนอนหลับแต่หวัวค่ําคนหลับกลางวันตื่นใหญ่ๆคนนอนตื่นสายหลังตีสามคนทําข้อวัดแต่ภายนอกหลวงอาจารย์ คนมักวดดีทะเลาะ ก, กับเพื่อนฝูงคนฉลาแกมโกงคนพูดทำมากสูงแต่ข้อวัดเหลวไหลคนไม่เขารบไม่เตรียมตัวคนวางเฉยหลอกลวงทำท่าว่าจิตตนสูงคนไปเที่ยววิเวกเล่นแต่เนื้อเรื่องเข้าไปวิวุ่นไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาคนไปเที่ยววิเวเกเด็ดเดี่ยวในป่าในเขาจริงแต่เมื่อเขาทำรานให้พักแล้วก็ติดต่อกับญาติโยมจนไม่มีเวลาทำความเพียรเมื่อกลับเข้าสำนักแล้ว ไปคุยอวดหมู่เพื่อนว่าจนเก่งได้วิเวกดีทั้งหลายที่บรรยายมานี้ต้องถูกเคนจากองค์หลวงปู่ทั้งนั้นและก็ไม่ได้อยู่กับองค์ท่านพอพันษาไม่เหตุอันหนึ่งก็อันหนึ่งพระทำบันดาลให้ร้อนใจอยู่กับองค์ท่านในสำนักไม่ได้เลยข้ออื่นยังมีอยู่อีกพระเนนบางองค์ทำอะไรตามอัตโนมัติเช่นทากดทาล่มก็ดียอมภาพาแก่นขนุนก็ดีไม่ได้กราบศึกษาขอโอกาส ผิดประเพณีขององค์ท่านทั้งนั้นส่งเสียงกับเพื่อนพุ้ติอื่นก็ดีมักคุยแต่เรื่องโลกก็ดีชอบติดต่อกับญาติโยมประจบประแจงก็ดีเมื่อองค์ท่านเรียกใช้องคใดพระเนรองค์นั้นไปชายผู้อื่นอีกต่อหนึ่งก็ดีไม่ใช้ใครต่อหลอกแต่ไม่เอาใจใส่ลงมือทำง่ายก็ดีลงมือทำอยู่แต่ทำแบบมักง่ายก็ดีจับสิงของไม่มีสติพกเพชรึงตงก็ดี ผมผ้าตีลูกวบวกใกล้คณะสงฆ์หรือพระปฏิมากรก็ดีสะบัดผ้าและตีหมอนตากหมอนดังตมตุ่มตำตามก็ดีล้างเท้าแล้วเช็ดไม่ดีมีรอยนิ้วเท้าที่สาลาและกุฏิก็ดีนี่พลาขวานเสียมคานหามน้ำเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนรวมไม่เก็บเป็นระเบียบก็ดีเขาลบทำดีแต่บริขารส่วนตัวของสงฆ์ของส่วนรวมไม่เคาลบลักสงวนก็ดีนี่ คลา้าขวานสิวเลื่อยไม่คมไม่มีใครรับคมเลยก็ดีด้ามคลาด้านขวานแตงหัดไม่มีใครสงวนบุรณะก็ดีจอดเสียงขุดดินแล้วไม่ลางก็ดีเครื่องเหล็กที่ใช้ด้วยสงวนคมตากแดดนานไม่มีใครเก็บก็ดีล่มเปียกมาแล้วไม่เจ็ดไม่ตากก็ดีตากแดดนานจนเปล่าก็ดีล่มกลางอยู่แต่เอียงวางทางหนึ่งให้ถึงดินก็ดีลงไฟลบลุงหลัง มีเท่าถ่านเกือนกาดก็ดีใต้าลานเก็บปืนลกลุงลังก็ดีฝาตุ่มน้ำไม่ติดก็ดีผ้าเช็ดเท้านานๆนนซับ ก, ก็ดีที่พันณะนามานีหลวงปู่ต้องเขียนแบบเผ็ดๆลอนๆทั้งนั้นยังมีอยู่อีกมากมายนะักถ้าจะเขียนให้หมดก็กลายเป็นบุพคลศิขาหรือมหาขันผู้ไปอยู่กับพงท่านจะอวดฉลาดไม่ได้เลยต้องยกธงขาวว่าข้าน้อยมาเกิดชาติใหม่การรับคนเข้าสานัก องค์ท่านแนบเนียนจำกัดมากแม้จะเป็นมายาอ่อนโยนแต่ภายนอกแต่ภายในแข็งกระด้างตีเสมอยกตนเทียบหรือสูงกว่าองค์ท่านองค์ท่านก็ไม่รับไวเพราะไม่สุมสี่สุมห้ามีทั้งตาเนื้อภายนอกและมีทั้งตาในแห่งปัญญาด้วยพอจะสั่งจะสอนได้องค์ท่านจึงรับไวเพราะไม่มีใครจะไปจับมือท่านเ็นได้ในตอนนี้พระอาจารย์เนพูดกับข้าพเจ้าว่า ล่าเอย๋ยท่านมีวาสนามากกว่าผมท่านเข้ามาครั้งเดียวได้อยู่เลยผมนีเวียนอยู่สามปีจึิงได้อยู่น่าล่าผมมาปีแรกท่านเทศผมว่าเมี่ยเอย๋ยผมกับท่านเทศไม่ได้ผลดอกจงหนีไปวิเวศเสียว่าสองสามครั้งติดติดกันผมก็เลยไปมาปีที่สองก็เทศแบบเก่าเทศแบบเย็นเย็นเจ็บในมากผมก็ได้ออกไปมาปีที่สามนี่แหละได้แบบผุดผ แต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะไล่แบบเ ย, ย็ยนเย็นหยีพูดแล้วท่านก็ยิ้มแม่กุติจะว่างสักเพียงไรก็ตามถ้าไม่พอจะสอนได้องค์ท่านก็ไม่รับเทศให้ฟังแล้วสามวันเจ็ดวันก็ไล่ออกไปองค์ท่านใช้คาว่าเออเราเทศเด็ดเด็ดให้แล้วรีบออกไปวิเวกนะอย่าอยู่บางลายเข้าไปไม่ถูกระเบียบเหมือนมาจากนรกก็เลยไล่หนีแบบขูข่ขูเข็นเข็นในวันนั้นก็มีมากสมัยยุคหลวงปู่มัน่น ยุคบ้านหนองผือนี้ได้เอาใจใส่สุขทุกแขกทางไกลในการดื่มกินพักผ่อนหลับนอนนั้นเพราะเหตุว่าสมัยนั้นโจรผู้ลายไม่ค่อยมีอะไรอะไรสะดวกมากแต่ทุกวันนี้ต้องดูแลทุกๆุกด้านเพื่อความปลอดภัยและให้ความอบอุ่นทุกๆด้านเพราะบ้านเมืองขับขันตามสติ ก, กำลังเท่าที่จะเป็นไปได้และวันวิสาขะวันมาฆะและวันสต์อันเป็นวันสาคัญของชาวพุทธองค์ท่านหลวงปู่มั่น ก็พาพุทธบริษัทในสังคมปฏิบัติตามประเพณีการสวดมนต์ประจำวันเช้าเย็นเอาของใครของมันเงียบๆ ม, มิให้ชา้เสียงกระเทือนกันสวดน้อยสวดมากแล้วแต่อิสระของแต่ละท่านแต่ให้หนักไปในทางจงกรมภาวนานั่นคือมหาสวดมนต์ซึ่งผู้พิจารณาไตรลักษณ์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าสวดอนัตตลัคนะสูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วแต่วันมาคะ วันวิสาขะต้องสวดพร้อมกันทั้งญาติโยมวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันอุโบสถสวดแต่พระเข้าพรรษาออกพรรษาสามเณรก็สวดด้วยคือสวดมนต์แล้วก็สมาทานพรรษากลางพรรษานอกจากวันอุโบสถก็ของใครของมันถ้าพระเณรขัดข้องทางภาวนาหรือมีธุระรุนรุนเช่นเจ็บป่วยขึ้นสดๆดร้อนร้อนองค์ท่านก็ทรงอนุญาตให้เข้าหากาบเรียนพิเศษได้ โดยทุกเมื่อตามการละเทศะเรื่องธรรมะชั้นสูงขององค์หลวงปู่มั่นที่องค์ท่านยืนยันว่าไม่ว่าธรรมะส่วนใดถ้าสําคัญตนว่าเสวยก็เป็นอันผิดทั้งนั้นถ้าผู้ชอบแยง้งก็จะมีข้อแย้งว่าเพราะมีในผสมสมโพธิและในพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วก็ทรงเสวยวิมุตติสุขแห่งละเจ็ดวันรวมเป็น4ี่ิบเก้าวัน พระนางสุจาดาถวายอาหารคือข้าวมัทุปปลายาตดทั้งขาดนั้นแบ่งออกได้เป็น4ี่สิบาคงไปได้วรรละคำและก็กล่าวคําว่าสเสวยวิมุตติสุขต้งๆแต่ผู้เขียนเพื่อแบ่งเบาหลงผูกมั่นว่าฉลอยเกจิอาจารย์ผู้สมมุติขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังรู้จักความหมายว่าพระองค์สเสวยวิมุตติสุขคําว่าสเสวยวิมุตติสุขนั้นออกจากพระโอษของพระองค์โดยแท้หรือหรือหากว่าเกจิอาจารย์ ผูกสมมุติเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจก็อาจเป็นไปได้ผู้เขียนเข้าใจว่าพระองค์สำคัญตัวว่าอยู่ในที่ไหนยังไงก็ไม่ทราบได้เพราะลดจิตใจและธรรมะของพระองค์ไม่เป็นฐานะของสาวกจะรู้ได้ทุกแง่ทุกมุมเช่นพระอนุรุดตามพระองค์ได้ในเวลาเข้านิโรธสมาบัติก็คงตามได้เป็นบางครั้งบางคราวจะให้เข้าเทียมถึงพระองค์ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว สาวกก็ต้องตีเสมอเหมือนพระองค์ได้ทั้งนั้นเช่นทรงสรรเสริญพระมหาสารีบุตรทรงมีพระปัญญามากก็ตามแต่คงไม่ถึงเเสี่ยวของพระองค์เลยแม้พระศิวลีมีลาบมากก็คงไม่ถึงเเสี่ยวของพระองค์อีกด้วยอีกประการหนึ่งที่น่าควรคิดเช่นนางธรรมทินนาภิกษุณีเข้านิโรธสมาบัติแล้ววิสา ข, ขาข้าหากอดีไปทรงเรียนถามนางธรรมทินนาว่า ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่นั้นได้สำคัญตัวว่าอยู่ที่ไหนหรือไม่นางก็ตอบว่ามิได้สำคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติและไม่สำคัญว่าตัวอยู่นอกนิโรธสมาบัติหรืออาการใดๆทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ตรงกับคำของหลวงปู่มั่นที่ว่าไม่ว่าทำส่วนใดถ้าสำคัญตนว่าสเสวยเป็นสาคัญผิดทั้งนั้นนี้เป็นธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนา ถ้าจะอาจาเอื้อมแสงคำเทศของหลวงปู่มั่นในขณะนี้ก็ต้องพิจารณาให้รอบขอบดังกล่าวมาแล้วนั้นกรรมฐานที่หลวงปู่มั่นสอนด้านภาวนาสอนให้เลือกเอาตามจริตนิสัยที่สะดวกของจิตเป็นที่สบายของจริตในกรรมฐาน40ห้องอันใดอันหนึ่งแล้วแต่สะดวกเมื่อบริกรรมและเพ่งอยู่พอก็ลงไปปรากฏรสชาติอันเดียวกันเช่นคณิกาสมาธิรวมลงไปขนาหนึ่งแล้วถอนออกมา ปุปจาละสมาธิรวมลงไปแล้วมักจะมีนิมิตต่างๆเช่นแสงเดือนหรือดวงอาทิตย์ดวงดาวฟันไฟเมฆหมอกกงจักดอกบัวเทวบุตรเทวดาหรือร่างของตนปรากฏว่าพองขึ้นหรือเหี่ยวลงหรือปรากฏว่าหอเหินเดิอนอากาศโลดโผนต่างๆนานาเหล่านี้เป็นตน้นเรียกว่าอุปจาลสมาธิตังนั้นจาระแต่ว่าไปตามนิมิตแขกที่มาเกยมาฟาด ภายหลังจากนิมิตเดิมที่เพ่งไวชาณังแปลว่าเป็นอยู่อุปจารสมาธินี้หมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันอัปปนาสมาธิเข้าไปละเอียดกว่านั้นอีกแต่ไม่มีนิมิตแขะมาเกยมาพาดเป็นแต่รู้ว่าจิตอยู่ไม่วกแว้ไปทางใดและไม่สงสัยว่าขณะนี้จิตเราเป็นสมาธิหรือไม่หนอย่อมไม่สงสัยในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกายปรากฏแต่ว่ามันรู้อยู่เท่านั้น ไม่ได้วิตกวิจาร์อันใดเลยแต่หมดกำลังก็ถอนออกมาอีกแต่นานกว่าอุปจารสมาธิเพราะความหยุดอยู่แน่แน่นิ่งกว่ากันขณินกะสมาธินี้ผวังขบาทก็ว่าคขณนิกะภาวนาก็ว่าคขณนิกะบฌานก็วาอุปจารสมาธินี้ผวังะจรณะก็ว่าอุปจารภาวนาก็ว่าอุปจารฌานก็วาดอัปปนาสมาธินี้ผวังคู่ปัจเจธก็วา อัปปนาภาวนาก็ว่าออปปนาฌานก็ว่าแต่การเลือกชื่อใส่ชื่อลือนามนั้นเป็นรสชาติอย่างหนึง่งส่วนรสชาติของสมาธิแต่ละชั้นก็เป็นรสชาติไปอย่างหนึง่งคล้ายกับลิ้นจิตแกงน้อยก็รู้จักรสน้อยจิตมากก็รู้จักรสมากแต่ไม่ได้สอนให้จิดอยู่เพียงแค่นี้เพราะสมาธิชั้นนี้อยู่ใต้อำนาจไตรลักษณ์มีอนิจจังเป็นต้นแต่จัดเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายมรรคฝ่ายผลของเหตุผลของมรรค เป็นปุญญาพิสังขารทั้งนั้นเป็นของจริงขนาดไหนล่ะจริงตามฐานะแต่ละชั้นแต่ละชั้นเช่นหนังก็จริงตามฐานะของหนังเ น, ง, นงเนื้อก็จริงตามฐานะของเนื้อเอ็นก็จริงตามฐานะของเอ็นกระดูกก็จริงตามฐานะของกระดูกจริงตามสมมติที่ใส่ชื่อลือนาจริงตามปรมัทิตย์เสมอภาคคือเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแต่สลายไปไม่เก่งขามไม่ไหวหน้าใครๆทั้งนั้นสติปัญญาฉั้นนี้ ก็ต้องพิจารณาให้แยกไข่ให้รู้ตามความเป็นจริงในชั้นนี้ลึกลงไปอีกมิฉะนั้นความหลงไม่มีหนทางจะล่อยหลอไปเพราะความหลงเป็นแม่ทัพของกิเลสชั้นที่หนึ่งอันมีอํานาจเหนือกิเลสใดๆทั้งสิ้นจึงบัญญัติว่าอวิชชาเพราะไม่ใช่วิ ช, ชาแต่เป็นวิ ช, ชาที่พาท่องเที่ยวสเสวยสัตพปทุกเป็นวิ ช, ชาของกิเลสมารเพราะกิเลสมารมีอํานาจเหนือมารใดๆทั้งสิ้นย้อนมาป่าลบเรื่องกรรมฐานอีก หลวงปู่มั่นยืนยันว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอาณาปานสติอาณาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายอยู่แล้วศาสนาอื่นๆนอกจากพุทธศาสานาแล้วไม่ได้เอามาสั่งสอนให้หัดปฏิบัติกันเลยเพราะกรรมฐานอันนี้บริบูรณ์พร้อมทั้งสติปัฏฐาน4ไปในตัวด้วยและเป็นแม่เหล็กที่มีกำลังดึงกรรมฐานอื่นๆให้เข้ามาเป็นเมืองขึ้นของตัวได้ เช่นพระมหาอนันตกุลของพุทโธธรรมโมสังโฆสีโลจาโคกายคตาแกเจ็บตายรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นต้นย่อมมีอยู่จริงอยู่พร้อมทุกลมออกเข้าแล้วแปดหมืนสี่พันพระธรรมมขันย่อมมีย่อมจริงอยู่ทุกลมออกเข้าแล้วไม่ต้องไปค้นไปหาไปจดไปจําไปบน่นไปท่องทางอื่นก็ได้ถ้าไม่หลงลมเข้าออกแล้ว โมหะหะวิชาวัตจักรมันจะรวมพลมาจากโลกหน่วยไหนละ่ะหลงลมออกเข้าก็หลงหนังเหมือนกันถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงลมออกเข้าโดยในเดียวกันดูโลกก็ดูทุกขดูทุกก็ดูโลกดูสังขารก็ดูทุกดูทุกขก็ดูสังขารพลโลกก็พลทุกพลทุกข์ก็พลโลกพลสังขารก็พลทุกพลทุกก็พลสังขารมีความหมายอันเดียวกันทั้งนั้นไม่ผิด รู้ลมออกเข้าในปัจจุบันรู้ลมออกเข้าในอดีตรู้ลมออกเข้าในอนาคตรู้ผู้รู้ในปัจจุบันรู้ผู้รู้ในอดีตรู้ผู้รู้ในอนาคตแล้วไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู e ้ทั้งสามการผู้นั้นก็ดับรอบแล้วในโลกทั้งสามด้วยในตัวอวิชชาและสังขารเป็นต้นก็ดับไปหน้าที่นั้นเองไฟโลกไฟโกดไฟหลงก็ดับไปหน้าที่นั้นเองกองทัพธรรมมีกาลังสมดุลด้วยสติปัญญา กองทัพวิชาตัญหาอุปาทานย่อมแตกสลายไม่ต้องพูดไปหลายเรื่องหลายแบบก็ได้พระอาทิตย์ส่องแสงจา้าเมื่อ น, นั้นนาไม่ได้สั่งลาหายวับไปหน้าที่นั้นเองการลาไปวิเวกของหลวงปู่มหาพอถึงเดือนพฤศจิกายนพศสองสีเจ้า น, นั่นเองพระอาจารย์มหาบัวก็ดำลิจะออกวิเวกโครงการขององค์ท่านจะไม่ไปไกล จะได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่มั่นทุกประการจะได้เป็นผู้กลับเข้ากลับออกอยู่ไม่ไปแบบตะเลิดเปิดเปล่งและหวังจะได้ธรรมะพิเศษมาศึกษากราบเรียนเพิ่มเขา้าเพราะอายุพรรษาก็มากเข้าสิบห้พรรษาแล้วและก็อาไลหลวงปู่เก่งผู้อยู่ข้างหลังจะปฏิบัติในสำนักบกพร่องทําให้หลวงปู่ไม่สะดวกธรรมทุกๆ ก, กรณีในสำนักแต่ลงท้ายก็เลยตกลงใจไปฝ่ายข้าพเจ้า ก็ น, นึกอยากจะไปกับองค์ท่านด้วยหลวงปู่ก็รู้จักแล้วและหลวงปู่ได้เทศอยู่บ่อยๆว่าใครออกไปวิเวกปีนี้กลับมาเมื่อถูกถามไม่ได้ความในด้านภาวนาจะไม่ให้อยู่จํำภรษาด้วยต่อไปในอนาคตถ้าไปวิเวกจริงถามก็ต้องได้ความแท้ไม่น้อยก็ต้องมากแต่ไปวิวุ่นเป็นส่วนมากเพราะไปเที่ยวเล่นตามสานักเฉยๆการไปวิเวกในสมัยนั้นไปในดงในป่า ในโคกในดอนในภูเขาได้ทั้นั้นเพราะไม่มีสิ่งที่สงสัยกันในการเมืองขอแต่กล้าหาญไม่กลัวเสือสัตว์ป่านานานชนิดเท่านั้นการไปองค์เดียวเป็นชั้นที่หนึ่งไปสององค์เป็นชั้นที่สองไปสามองค์เป็นชั้นที่สามไปเหลือนั้นหรือมากกว่านั้นอยู่วัดดีกว่าว่าถือกันว่ามีวุ่นไม่สะดวกได้มีปัญหาว่าพระอาจารย์มหาบัวนั้นหลวงปู่มั่นก็เก่งว่า จะไปเที่ยวเล่นดอกหรือจึงปาลบอย่างนั้นขอแก้ว่าปาลบเพื่อพวกอื่นบุคคลอื่นต่างหากเพราะปีนั้นจะออกวิเวกหลายพวกอยู่ขั้นล่วงเวลามาอีกสองสามวันท่านอาจารย์มหาขึ้นไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นว่าเก้านึกจะไปเที่ยววิเวกจะเป็นประการใดและการงานที่จะใายเจ้าพาหมูทํานั้นยังมีอะไรอยู่บ้างหนอเก้าจะพาหมู่ทําเสร็จแล้วจึงจะได้ไปถ้ามีงานจําเป็นอยู่ ก้าก็จะรออยู่ก่อนหลวงปู่ตอบว่าจีวรการเราก็เสร็จแล้วปืนเราก็บริบูรณ์แล้วแต่บุรณะกุติซ่อมแซมหลังคาและเอาปืนเดือนภุมพาพัน์จึงพากันจัดทมวาระนี้ถ้าจะไปก็ไปได้พระอาจารย์มหาเลียนว่าถ้าไปจะไปวันไหนและทิศทางใดหนอจึงจะวิเวกพอควรหลวงปู่มั่นตอบว่าถ้าสะดวกใจตนจะไปวันไหนก็ได้ ไปทางทิศตะวันออกก็มีที่วิเวกดีพอควรอยู่นะแล้วพระอาจารย์มหาก็กราบลากับกุฏิของตนแต่ไม่ถึงวันจะไปเต็นเพียงไปกราบศึกษาให้หลวงปู่มีสิทธิ์วันจะไปจึงไปกราบลาใหม่ข้าพระเจ้าได้สำเนียบ ว, ว่าลูกศิษย์ที่มีครูไปลาอาจารย์เพื่อเที่ยววิเวกเป็นธรรมะลึกซึ้งเป็นเชิงปรึกษาให้เกียรติอาจารย์ให้ความเป็นใหญ่ไว้เสมอด้วยเขารบ ไม่ตัดสินเอาแต่ตัวตามอัตโนมัติเป็นเยี่ยงอย่างอันดีของฝ่ายปฏิบัติไม่ข้ามไม่เกินไม่อวดดีอะไรอาจารย์ก็นักปราชญาลูกศิษย์ก็บัณฑิตสมัยปัจจุบันนี้หาได้ยากแท้หนอเพราะโดยมากลูกศิษย์ตกลงเอาเองหมดแล้วเป็นเพียงมาลาไปเฉยๆบางลายกลุ่นให้อาจารย์อย่างไม่ไอายเวลาไปไม่มาลาอีกซ้ำกลายเป็นปฏิบัติแบบเปลดแบบผีไปอีกผู้เขียนนึกๆแล้ว ก็น่าสังเวชมากหลวงปู่มั่นมรณะทำไปสาสิบปีกว่าเท่านั้นฝ่ายปฏิบัติทุกวันนี้ไกลกันขนาดไหนหนอไม่ต้องกล่าวไปใหญ่ในทางพุทธการเพียงเท่านี้ก็ไกลกันขนาดนี้แต่ทำวินัย น, นั้นอันเก่าอยู่ผู้ปฏิบัติเรือนรางต่างหากแต่ก็เป็นเรื่องอาจินใจถ้าทิจารณาไปก็ฟุ้งัง่งกล่าวไว้พอได้เทียบเคียงบ้านข้าพระเจ้าขอติดตามไปด้วยกล่าวการไปเที่ยวต่อไป ล่วงมาจากการที่พระอาจารย์มหาไปกราบเลียงศึกษาหลวงปู่มั่นประมาณสาวันพระอาจารย์มหาก็ไปกราบลาองค์ท่านเตรียมเดินทางข้าพระเจ้าก็เตรียมพร้อมแล้วเรียนท่านอาจารย์มหาว่ากระผมจะต้องขึ้นไปกราบลาหลวงปู่หรือไม่หนอพระอาจารย์มหาตอบว่าถ้าไปกราบลาแต่ผมมันก็ถูกแต่ผมส่วนท่านก็ผิดเพราะเรื่องของใครของมัน ถ้าพระเจ้ายิ่งเพิ่มเห็นความเป็นธรรมระหว่างพระอาจารย์มหายิ่งขึ้นเป็นอันมากแล้วก็ขึ้นไปกราบลาพร้อมกันองค์ท่านหลวงปู่ก็ใช้มารยาทอันละมุนละไมแบบเมตตากราบลาแล้วเตรียมเดินทางไปทางทิศตะวันออกของวัดเดินตามทางคนบ้านทางเกวียนบ้านมีป่าดงเป็นทิวแถวมีทุ่งนาสลับเล็กน้อยมุ่งตรงไปวัดป่าบ้านพระคาปู่อันเป็นวัดลางเป็นป่าเต็งลงังสูง ขณะนั้นกําลังหนาวจัดเริ่มเขา้าข้าพเจ้าก็ข อ, อนิสัยกับพระอาจารย์มหาท่านให้โอกาสสั่งสอนประทับใจว่าเออเดี๋ยวนี้เราออกมาวิเวกไปจากปูบาอาจารย์เราทําความเพียรขนาดอยู่วัดมันก็ไม่สมกับคําที่ว่ามาวิเวกเพราะการอยู่วัดก็เป็นธรรมดาของคนมากก็ต้องมีงานจุกจิ ก, จ ก, จกอันนั้นบ้างอันนี้บ้างนี่สองคนเท่านี้ต้องตัดข้อวัดให้น้อยลง เพื่อให้มีเวลาภาวนาติดต่อไม่ขาดวักไม่ขาดตอนส่วนน้ําล้างบาทและน้าที่ผมจะส่งนั้นให้คุณคอนมาไว้ที่ไหนให้เต็มส่วนน้ําดื่มน้ําฉันนั้นขอให้คุณไปตักมาไว้ใส่กาใส่ถุงให้เรียบร้อยส่วนล้างบาทนั้นโยมเขาตามมาล้างเองแล้วผมเช็ดใส่ถั่งเองคุณจึงเอาไปปึงแล้วเก็บไว้ให้เรียบร้อยส่งน้ําก็ดีปัดที่อยู่ปูที่นอนก็ดีผมทําเองที่พัก เราก็อยู่ไกลกันพอควรแล้วคือกุฏิมุงยากั้นใบไม้ตองกุง่งปูฟ่ฟาก็แค่พอดีมุงมอดเจอบมอดชาทั้งฟ้าและใบตองกัน้นและขอให้คุณตั้งใจทําความเพียรนะไม่จําเป็นอย่าพูดกับผมนะและอย่าเข้าใจว่าผมรังเกียจไปบินธบาตผมไม่ให้ท่านรับดอกเพราะท่านสามสี่วันก็จับไข่มันเป็นเลื้อลังมาแต่กลางพรรษาแล้วก็พักอยู่นั่นเกือบเดือนน้ำชายนา้ำฉันไปตัดเอาที่ห้วย เขาทอดไหว้ไกลจากวัดประมาณสามเส้นข้าพระเจ้าไปคอนมาไว้แต่ตีสี่ตอนกลางคืนงมมืดไปไม่ได้จุดไฟเลยเพราะโคมไฟไม่มีท่านพาทําความเพียรไม่หยุดหย่อนไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ข้าพระเจ้ามักจับไข่ตอนเทีย่ยงหรือบ่ายหนึ่งชั่วโมงก็สั่งแต่ปวดหัวอยู่มั่มมัแต่ฉันได้ไปได้ไม่เพียรนักสองสามวันครั้งหนึ่งแต่ตอนกลางคืนไม่ค่อยไขวันหนึ่งพระอาจารย์มหา เอายาปิมินเครือบน้ำตาลให้ฉันก็เลยฉันหกเม็ดทีเดียวหัวดับอยู่ทั้งวันเลยไม่ฉันอาหารปล่อยให้ยาออกฤทธิ์คุมได้สิบห้าวันไข้อีกอยู่อย่างนั้นแต่ตักน้ำกวาดลานวัดอยู่พาไข้เดินจงกรมอีกไข้แบบนั้นก็มีถ้าไข้าลากสาบมุทะลุแบบนี้ก็คงจะตายกันคันพักทำความเพียรอยู่นั้นประมาณเกือบเดือนพระอาจารย์มหาพายายที่เข้าไปในดง ไกลจากที่พักเดิมประมาณสิบสามเส้นส่วนน้ำนั้นมาตัดเอาที่เก่าไปบินสบัดบ้านพระคำรูตามเดิมเขามาทำลานให้ปูไม้กลมเล็กๆกว้างพอดีกอดไกลจากพระอาจารย์มหาประมาณสองเส้นแต่กำบรรดาญหยิกเขาเอาไม้กลมเล็กมาปูต่างฟ้าให้นั้นมีไม้นาม้าเคียงคนอยู่สองสามท่อนพอพักได้สามสี่วันหน้าบวมขึ้นเห็นหน่วยตาลูกตาพอลิบบีพระอาจารย์มหาหัวเราะแล้วพูดว่า ยิ่งขี้เละก็ยิ่งผายลมเหม็นแล้วองค์ท่านไปตรวจดูลานก็เห็นไม้น้ำเกี้ยงสองสามท่อนเขาเอามาลาดปูนอนให้พลนกับไม้อื่นอยู่จึงคุมให้โยมถอดทิ้งเอาไม่แทนเมื่อพิจารณาแล้วเขาไม่ได้แกล้งทำเพราะเป็นเวลาใบไม้ร่วงเขาไม่รู้จักว่าไม้อะไรเห็นเกี้ยงกลมแล้วก็เอากันทั้งคทำด่วนด้วยไม่ได้กัน้นไม่ได้มุงอะไรหรอกเช่ามามุงก็เปียกกดก็เปียตกตาตัดี่เลย นี้คือการเที่ยวในสงสารเห็นชาติชาติพบพบมันเป็นอย่างนี้ด้านภาวนาก็อาจารย์ลมออกเข้าเป็นหลักรวมหรือไม่รวมก็สะดวกอย่างนั้นจะตีปัญหาไปน้อยมากต่ำสูงจับอันนี้เป็นหลักอยู่นั่นเองพิจารณาอันอื่นดูว่าไม่อร่อยเท่าพระอาจารย์องค์ลมเว้นไว้จะเดินจงกรมเท่านั้นจึงตั้งอันอื่นเป็นหลักคือตั้งไว้กับขาเก้าส่วนนอนและนั่งต้องลมเป็นหลักถ้าพิจารณาอะไร พร้อมกับลมออกเข้าแล้วถือว่าชัดในส่วนตัวและไม่สงสัยอีกด้วยส่วนท่านผู้อื่นนั้นชัดแยบคายด้วยวิธีใดแล้วแต่ของใครของมันไม่คัดค้านจะสมถะก็เอาลมเป็นหลักจะวิปัสสนาก็เอาลมเป็นหลักจะพ้นหรือไม่พน้นตอนใดใดก็เอาลมเป็นหลักอุบายของใครของมันความถือว่าเป็นของยากของง่ายย่อมไม่ตรงกันหมดความอดทนก็มียิ่งมีหย่อนกว่ากันเมื่อศรัทธาความเชื่อ วิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิสร้างมัน่นปัญญาลอบลูสมดุลเสมอกันยิ่งในขณะเดียวทั้งห้านี้แล้วในปัจจุบันพันการาก็จะเป็นใจเป็นธรรมอันมีกำลังพละพลังไม่มีประมาณแหลผู้ใคร่ควรทมเป็นผู้เจริญตรงกันข้ามเป็นผู้เสื่อมถอยผู้เพลินในโลกมากจะเป็นผู้เศร้าโศกมากผู้เพลินในธรรมมากจะนาความเศร้าโศกออกมากมายผู้เห็นภัยในสงสาร ผู้ไม่ไว้ใจในสงสารก็คือผู้ถือกุญแจเปิดประตูพันิพานนั้นแหละใจใดไม่ติดอยู่ในผู้รู้เป็นตัวเหตุใจน่องเหตุก็ไม่ต้องได้หาใจนั้นแลนาะมิได้ท่องเที่ยวใจเดียวทำเดียวทรงน่องเหตุหมดประเภทใจอื่นจะตามหาใจนั้นข้ามโลกาไปแล้วไม่มีลอยแลใจใดไม่รู้จักใจใจนั้นก็ไปพบแต่ภยัยยิ่งไปเท่าใดก็ยิ่งพบแต่ภยัยล้านล้านอสงสัยก็ไม่พบสุข